บันทึกที่3ความหมายบางอย่างของวินัยวินัยตามความหมายว่าประมวลบทบัญญัติหรือระเบียบนั้นเรียกตามอัตถกถาว่าปัญญัติวินัยวินัยมีความหมายสาคัญนอกจากนี้อีกสองสามนัยยะ ความหมายที่น่าสนใจและใกล้เคียงกับความหมายที่กล่าวมานี้คือวินัยที่ใช้ในคำว่าอาริยวินัยซึ่งเป็นคำที่พบบ่อยแปลได้ว่าแบบแผนของพระอริยะระบบชีวิตหรือระบบการฝึกฝนอบรมของอารยชนเทียบได้กับคำว่าสุขตะวินัยซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงความหมายไว้เองว่า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 และสองไนยะแรกของสี่ไนยะนั้นอัตถกถาบางแห่งแยกย่อยออกไปถึงสิบความหมาย